คนโบราณเขาจึงยกย่องเชิดชูบูชาจะไปในสถานที่ใดถ้ามีศาสนาพิธีอย่างวันนี้หละเขาก็จะต้องไหว้พระลระก็สมาทานศีลถ้าหากว่าพวกเรามีศีลถึงพวกเราจะรักษาศีลตลอดไม่ได้แต่เราก็รู้จัว่าคุณค่าของศีล น, นั้นทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข เ, เพราะนั้นวันนี้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 ออันนี้คือศินข้อที่สาข้อที่สีมุสาวาทาเวรามะนีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าไปโกหกกันอันนี้คือศิลข้อที่สี่สรุปแล้วศิลของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ข้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ย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 อาคารเออไหนก็ตามศาลาหลังไหนก็ตามไม่มีสังกษสีไม่มีกระเบื้องมุงหลังคาหลังคาหลังนั้นก็ไม่น่าอยู่เพอรอะไเพราะว่าเวลาแดดออกมาก็ร้อนเวลาฝนตกมาก็เปียกปนเสียหายหมดทั้งศาลาหลังนั้นใช่ไม่ได้เพราะเพราะว่าศาลาขาดที่มุงบงัง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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิเลนะนิพุติยันติตัตมาสิลังวิโสทาเย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 แต่เลยมาหน่อยหนึ่งนะคณะสาสทา ย, ยาตโยตลมเพราะหลวงพ่ออยู่ไกลวัดอยู่ไกลกว่าที่จะมาถึงจากวัดนาคำน้อยอําเภอนาโยงข้ามมาอําเภอหนึ่งข้ามาอําเภอน้ำโสมมาถึงสุวรรณคูหาเ อ, อรู้เสี้ยวทางก็ไม่เคยมาอีกต่างหากทางคดบอลงอก ง, งกคดแขนซอกก็ทางทําไมมันคดถึงขนาดนี้วะเออคิดว่า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 มีแต่ความสุขกายสุขใจถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำบุญเราจะเรียกร้องหาบุญกุศลมาจากไหนบุญกุศลนั่นละจะเป็นเครื่องเคื่อกุญหนุนสำหรับพวกเราจะว่าปุญญานิปัลโล ก, กัตสมิงปฏิถาโหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัพพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าพวกเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้ทาบุญเอาไว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 ในคืนวันเดือนหกเพนนนั้นอ่ะพระพุทธองค์ได้นั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง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 พี่สาวเขาเลยมอบให้พอมอบให้พระองค์นั้นก็ได้นำผ้าจีบอลพอนำผ้าจีบอมาแล้วก็เข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่คือสมัยนั้นเขาจะพระปะวัดป่าเชดตะวั น, เ, นเขาจะมีเป็นคณะคณะหนึ่งคณะสองคณะ3ามคณะ4มีหลายคณะนะแต่นี้ท่านกับพระองค์นั้นก็เข้าไปเข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่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 จนเสร็จพอเสร็จแล้วก็พระองค์นั้นก็ได้ผ้าจีวรใหม่แล้วต่นี่มาก็มายอมสีเป็นที่พอใจพระจีผ้าจีบรเป็นที่พอใจของพระจากนั้นว่าพระองค์นั้นก็เนึกในใจเออวันพรุ่งนี้เราได้ผ้าจีวรถูกใจที่สุดสีก็พอดีขนาดก็พอดออีความหนาของผ้าก็พอดีเป็นที่พอใจมากผ้าจีบอลผืนนี้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 อัน้พระสงฆ์ก็แปลกใจก็เก็บผ้าอัฏฐบริขารองนั้นไว้พอเจ็ดวันเล่นตัวนั้นตายตายจากเล่นอันนี้สงสีนั น, นสงภาวนาของท่านมีอยู่เพราะขณะที่ใจจะ ก, การะท่านคิดถึงผ้าจีวอลท่านก็เลยมาเกิดมาเกาะมาติดอยู่ในผ้าจีวอของท่านแต่บัดนี้พอท่านตายไปแล้วท่านไปสู่สวรรค์เพราะอั น, นิสงสีนั น, นสงภาวนาของท่านมีอยู่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 วันนี้ลงพ่อเทศลงไปได้กันเทศหนึ่งหมื่นนะลงพ่อจะแถมมาอีกสองหมื่นให้เป็นสามหมื่นมอบไปโรงพยาบาลนะ